อยากบำเพ็ญตบะเพื่อขึ้นสวรรค์ถามบางทีดูหนังบางเรื่องที่กล่าวถึงการบำเพ็ญตบะเพื่อเข้าถึงสวรรค์แล้วผมรู้สึกชื่นใจอบอุ่นใจและเกิดแรงบันดาลใจใหญ่อย่างบอกไม่ถูกทั้งรู้ว่าเขาแต่งฉากสวรรค์ขึ้นมาหลอกๆ ก, ก็เถอะในใจมีความเชื่ออยู่ในส่วนลึก ว่าตัวเองเคยหวังสวรรค์ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดจริงเท็จอย่างไรไม่รู้หลักอยากถามว่าตามหลักที่ถูกแล้วการบาเพ็ญตบะบารมีหวังสวรรค์เขาทำกันอย่างไรครับทั้งในหนังแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนบอกผมว่าสวรรค์ น, นั้นไม่ใช่จะเข้าถึงกันง่ายๆแค่ทำบุญที่วัดแล้วรักษาศีลยังมีกาลังไม่พอ ต้องนั่งสมาธิและเจริญสติดีๆหลายปีด้วยตอบก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าการบาเพ็ญตะบะสักนิดหนึ่งตบะคือความเพียรเพื่อล้างผลาญกิเลสให้มใหมดไม่หมดสิ้นไปและที่นิยมล้างผลาญกิเลสกัน ก็ด้วยถือเอาความจริงตามธรรมชาติของจิตประการหนึ่งคือยิ่งกิเลสน้อยลงเท่าไหร่จิตก็ยิ่งสดใสผ่องแผ้วขึ้นเท่านั้นจิตที่สว่างสดใสด้วยอาการตีตัวออกห่างจากกิเลสเป็นจิตที่เหมาะกับการเข้าถึงดินแดนอันแสนสุขส่วนจิตที่มืดมุนหรือขุ่นมัวด้วยความโจมปลักอยู่กับกองกิเลส เป็นจิตที่เหมาะกับดินแดนอันทุกข์ร้อนกล่าวง่ายๆได้ว่าการบำเพ็ญตะบะที่แท้จริงนั้นจะตั้งใจทำอะไรหรืองดเว้นอะไรก็ได้ขอเพียงให้ส่วนทางกับกิเลสลดละกิเลสให้เบาบางลงก็แล้วกันส่วนที่ระดับของกิเลสลดลงจนจิตควรคู่กับสวรรค์หรื อ, อยังเอาไว้ค่อยว่ากันอีกที ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณติดหนังโป้งอมแงมกระทั่งรู้สึกตัวว่าสุขภาพเริ่มไม่ดีไม่ค่อยมีแรงตื่นไปเรียนคุณพิจารณาเห็นโทษของการเสพติดชนิดนั้นว่าทั้งทำให้ตาแฉะทั้งทำให้อ่อนแอลงตลอดจนทำให้มองผู้หญิงด้วยสายตาประสงค์ร้ายมากขึ้นทุกทีอย่างนี้แค่ตั้งใจว่าจะถอนตัวจากความหมกมุ่นทุกวันงดเว้นสักสองวันตอนหนึ่งอาทิตย์ หันไปเล่นกีฬาไปอ่านหนังสือธรรมะหรือไปสร้างประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับครอบครัวก็จัดว่าเป็นการบำเพ็ญตบะพัฒนาจิตวิญญาณให้สดใสขึ้นได้แล้วครับความสดใสของจิตก็คือความรู้สึกเบาโปร่งโล่งเป็นสุขมากขึ้นกว่าเดิมมองโลกในทางอยากพัฒนาให้อะไรๆก้าวหน้ากว่าที่เคยนั่นเองฉะนั้น ยิ่งเบายิ่งโปร่งโล่งเป็นสุขและยิ่งอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นตัววัดความสำเร็จแห่งตบะบารมีในการงดกามได้มากขึ้นเท่านั้นหากคุณต้องตายอย่างกระทันหันขณะที่จิตกำลังปลื้มเปรมกับความดีมีความสดใสพิเศษแม้ด้วยบุญเพียงเล็กน้อยก็ส่งคุณขึ้นสวรรค์ได้ อย่างไรก็ตามความสดใสเป็นของไม่เที่ยงแรกเมื่อหยุดดูหนังโป้ได้สองวันตามความตั้งใจก็อาจยินดีในความสำเร็จแต่พอทำได้เรื่อยๆก็ชักชินไม่ต้องใช้ความพยายามฝืนใจเอาชนะกิเลสจึงไม่เห็นเป็นเรื่องน่าดีใจที่ทำได้อีกต่อไปความสดใสของจิตก็น้อยลงถ้าคุณต้องการความสดใสพิเศษใหม่ ก็ต้องตั้งโจทย์ใหม่เอาชนะกิเลส ท, ที่ยังไม่ชนะเป็นต้นว่าคิดรุกคืบหนักขึ้นขนาดลดปริมาณการดูเสพหนังโป๊ลดเหลืออาทิตย์ละวันเดียวคือไม่จำเป็นต้องไปห้ามตัวเองขนาดงดเว้นจากกิจอันสุนทรทั้งปวงเพียงแต่ไม่ยึดเอาหนังโป๊เป็นที่พึ่งของสายตาตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองถ้าไม่ได้ดู แล้วรู้สึกเหมือนจะลงแดงแต่อดกลั้นสำเร็จคุณจะได้ความภูมิใจและเกิดความหนักแน่นเชื่อมั่นในสัจจะของตนเองเป็นตัวของตัวเองควบคุมตนเองได้ทั้งที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิหรือทำคุณงามความดีใหญ่โตอะไรเลยเมื่อทำข้อตกลงกับตนเองได้สองสามครั้งคุณจะฮึกเหิมพอจะทำขั้นต่อไปได้เรื่อย และเห็นผลดีทางใจยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากเริ่มเห็นตัวเองเป็นนักบาเพ็ญตบะคุณจะพบความจริงหลายประการเช่นหนึ่งการบาเพ็ญตบะคือการสู้กับกิเลสในตนเองเพาะว่ากิเลสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นการตั้งเป้าแบบเดียวกันสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นการบาเพ็ญตบะแต่กับอีกคน อาจไม่ใช่อย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ติดหนังโป๊ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อย่างนี้ถ้าตั้งใจไม่ดูเลยตลอดปีหรือตลอดไปก็ไม่ต้องกัดฟันอดกลั้นไม่ต้องสละกิเลสที่มีอยู่ตบะบารมีย่อมไม่เกิดหรือเกิดน้อยเมื่อเทียบกับพวกเสพติดหนังโป๊ที่เขาตั้งใจงดดูสองพลังงานที่ทุ่มเทลงไป ตลอดจนระยะเวลาและความยากเย็นของการบำเพ็ญตบะนั้นยิ่งมากยิ่งยาวยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่าไรบารมีก็ยิ่งมากปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นโดยรางวัลทันตาจะมาในรูปของความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นได้ตามปรารถนาคุณจะรู้สึกว่าการหวังสูงไม่ใช่เรื่องเกินตัวอีกต่อไปยิ่งมีชีวิตนานไป ความรู้สึกเกี่ยวกับสวรรค์ก็จะยิ่งเป็นของเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น 3. ธรรมชาติของการบำเพ็ญตบะต้องการความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการตั้งเป้ากำจัดกิเลสข้อใหม่ที่ยังพิชิตไม่ได้มิฉะนั้นความสดใสพิเศษจะจืดจางแปลเป็นความเฉยชินไปแทน คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามจิต ท, ที่ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆและการยกระดับแต่ละครั้งอาจหมายถึงการเอาชนะกิเลสได้ตามความตั้งใจ 4. คุณภาพของตะบะบารมีขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิจารณาว่าตนเองปากพล่อยพูดจาไม่เข้าหูคนเพียงไม่กี่คำอาจเผาเมืองได้วอดแล้วคิดว่าถ้าแกล้งทำเป็นใบเสี้กคงดีจะได้ไม่มีใครต้องเดือดร้อนรำคาญอีกอย่างนี้ก็ถือว่าบำเพ็ญประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ก็ก่อผลกระทบข้างเคียงขึ้นมากมายเช่นทำให้คนอื่นโมโหเมื่อจะเอาคำตอบแล้วไม่ได้คาตอบจากคุณ ตะบะอย่างเนี้ยสู้ตั้งใจพูดให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทั้งในแง่การเลือกคำในแง่การพยายามเช่นนำเสียงสุภาพทั้งในแง่การพูดประสานประโยชน์หากทำได้นอกจากสังคมจะได้ฟังเรื่องดีๆกันมากขึ้นแล้วตัวคุณเองอยังได้ชื่อว่าบําเพญตะบะเปลี่ยนปากของตนได้สำเร็จซึ่งนับเป็นเรื่องยากเย็นท้าทายความสามารถกันมิใช่น้อย าการบาเพ็ญบางอย่างอาจพ่วงผลกระทบข้างเคียงไม่ดีมาด้วยโดยเฉพาะถ้าตั้งใจทำเรื่องผิดมนุษย์มนาได้นานๆเช่นคิดจะไม่พูดกับใครเลยหากทำได้สักปีก็อาจกลายเป็นคนดื้อย่างไร้เหตุผลทว่าก็สามารถดื้อได้อย่างมีอำนาจหน้าเกรงขามด้วยพลังตะบะที่บาเพ็ญมาตลอดปีนั่นเองการเลือกบาเพ็ญตบะ จึงต้องดูด้วยว่ามีเหตุผลมีความสมควรแก่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแค่ไหน 6. การถูกบังคับให้กลัวต้องอยู่ในวินยัยไม่ได้มีความเต็มใจรักษาวินัยด้วยตนเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิได้เพียงกระทําไปด้วยเจตนาเผากิเลสจะไม่ถือว่าเป็นการบำเพ็ญตบะยกตัวอย่างเช่น คนคุบไม่กลา้าซาอย่างที่เคย้าหาใช่เพราะเห็นโทษของความเกกเเรกเกเรของตนทว่าเป็นเพราะเกรงจะโดนผู้คุมรุ่มเอากระบองฟาดแต่หากสมัครใจเข้ามาอยู่ในวินัยตั้งแต่ต้นเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของวินัยว่าเป็นเครื่องเผากิเลสเช่นพระตั้งใจรักษาวินัย227ข้อก็ด้วยความเข้าใจว่า นั่นเป็นปัจจัยให้หลุดพ้นจากกิเลสได้โดยสวัสดีอันนี้เรียกว่าเป็นการบาเพ็ญตบะอันเยี่ยมเจ็ดการบำเพ็ญตบะอันประกอบด้วยศรัทธาและความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีรัศมีเรื่องรองสูงสุดทั้งนี้เนื่องจากหลักธรรมที่พระพุทธองค์สั่งสอนนั้นเป็นไปเพื่อระงับกิเลส ตลอดจนถอดอนกิเลสได้ถึงที่สุดขณะยังมีชีวิตไม่ต้องตายซะก่อนเช่นทำทานด้วยความเข้าใจว่าเป็นการสละลดละความตรนีรักษาศีลด้วยความเข้าใจว่าเพื่อไม่ต้องร้อนกายร้อนใจตนเองและผู้อื่นเมื่อทำทานรักษาศีลเป็นอาจินย่อมเกิดความเข้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เราเห็นจากประสบการณ์ตรงว่าการทำทานและการรักษาศีล น, นั้นต้องใช้ความอดทนสูงเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยบททดสอบยั่วยวนให้ตรณีและผิดศีลดังนั้นการใช้ชีวิตตามหลักของทานและศีลจึงจัดเป็นการต้านและการทวนกระแสกิเลสอย่างยิ่งใหญ่ประกันสวรรค์ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทิ้งท้ายอีกนิด ที่ผู้ใหญ่ของคุณท่านกล่าวไว้ก็มีส่วนถูกคือถ้าทำสมาธิให้จิตใจหนักแน่นมีความเบิกบานก็ประกันสวรรค์ได้แข็งแรงขึ้นแต่สมาธิก็มีหลายแบบแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือสมาธิอันชอบอันควร น, นั้นต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่นถ้าทำสมาธิด้วยวิธีระลึกถึงลมหายใจเสมอ ๆ, ๆก็ควรมีความเข้าใจประกอบว่าลมหายใจไม่เที่ยงเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาสักแต่เป็นธาตุลมอันไม่ซ้ำไม่ใช่ของเราเมื่อระลึกถึงลมหายใจอย่างมีความเข้าใจจนกระทั่งจิตตั้งมั่นไม่รู้อะไรอื่นนอกจากเห็นลมหายใจเข้าออกด้วยความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราแม้วิเวกสุขอันเกิดขึ้นในขณะดำรงสมาธิก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแม้สภาพจิตอันตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างนี้หละเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อได้สมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าก็ถึงสุดยอดของสัมมาสมาธิบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เนี่ยะประกันสวรรค์อย่างถาวรปิดประตูอบายได้สนิทแล้ว